ออกไปเที่ยวทุ่งบ้างอออกไปเที่ยวทุง่งตามวัดต่างๆตามสถานที่ต่างๆที่มาเห็นอํเภอนายุงที่มาสร้างวัดป่านาคําน้อยนะครับนั่นแหละหลวงพ่อมาอยู่ไปอยู่อหลวงตาเป็นเวลาเจ็ดปีนะแล้วก็ปีที่แปดมั้งหลวงตาหลวงพ่อจึงได้ออกมาเที่ยวมาเห็นในละแวกนี้จึงนะมาเห็นป่าหลงพงไพ่ยอยู่ในละแวกนี้นะจึงได้มา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 หลวงุู่เทศยังอยู่ภูเก็ตอยู่ในช่วงนั้นมีหลวงปู่ขาวหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่แถบแถบนี่แหละหลวงปู่เหรียญหลวงปู่ซามาหลวงปู่คาดีหลวงปู่ชอบหลวงปู่ชอบกัยังยังในช่วงหลวงพ่อเขาไปหลวงปู่ชอบยังอยู่อยู่ทางภาคเหนืออยู่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 ทำกองเพนก็ดีแต่หลวงปู่ขาวนะ่ะนิสัยนิ่มๆเงียบๆน่ะนิสัยไม่ค่อยพูดนะโอ้เวลาท่านดุขึงขังไม่ใช่น้อยเหมือนกันแต่หลวงพ่อเสวดปฏิโมกอยู่ที่ทำกองเพนแต่วันหนึ่งวันหนึ่งนะเห็นหลวงปู่ขาวดุนะเห็นเงียบๆจจ่อยพอ้อมๆนั่งเงียบๆนะ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 มันก็ไม่มากใช่ไหมก็ไม่รู้จะองค์ไหนได้บ้างแต่องค์ที่ท่านเห็นก่อนท่านก็ใส่ได้มากเถใส่ครึ่งแก้วนะ้นํามันนะแต่เนื้อมันก็ส่งไปทีนี้พอองคนั้นอนะ่ะท่านก็พอฉันเสร็จแล้วท่านก็เจิบน้ำนะนํำน้ําที่น้ําผลไม้เนะ <c oughs> ผละไม้ผลไม้กระป๋องพอจิบเขบ้าไปมันเปรี้ยว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 พออยู่ในหลักธรรมไมนได้แตอยู่ในกฎระเบียบแตนเน่นี่ยมันออกลู่นอกลู่นอกทางเออเห็นไหมสมัยก่อนะเออขนาดมาอยู่ที่นี่มันไม่รีบ ม, ม, มีอันจะเล่นะมันไปเอาหัวไม้ขีดไฟมาทําเป็นบ้องไฟเอากระดา ษ, รดาษ ก, ร ก, กระดาษกอบแกบกระดาษอหนังสือเอบโบลี่เกตเกล็ดทองสมัยนั้นกอบแกะกรบแกบหอแล้วเอาไฟจุดห่อแล้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 ไอ้พระมาจากเชียงใหม่เนี่ยเราไม่อยากจะรับนะ ม, น costs, มันไปหาเที่ยวโต๊โต๊ะต๋อเต๋อมันไปหาเที่ยวดูคนอะดูสาวนะ่ะลักษณะเนี่ยพูดง่า ย, ายๆอะพูดแบบแบบนั้นนะพราะหลวง ป, ปู่สิงห์ทองท่านมาให้ข้อมูลหลวงปู่หลวงตาบันตาดมาก่อนแล้วเออบอกว่าไอ้พระที่ไปเที่ยวเชียงใหม่เนี่ยนะไม่ใช่ไปอย่างอื่นนะเออไปหาดูคู่ดูคนเสร็จแล้วไปสถานที่ภาวนาก็ไม่มีหลวง ป, ปู่สิงห์ทองว่านะ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 ถ้าหาว่าครูบาอาจารย์ที่ท่านไม่รับแต่ผมก็จะหนีนะนะผมจะออกไปแล้วนะผมก็จะออกจากวัดป่าบ้านตาดผมคงจะออกไปไปหาที่อื่นต่อไปโอ้ไม่ไม่ไมม ม, มท่านลงตาท่านครูไปอย่างนั้นหละท่านไม่ได้พูดอย่างนั้นท่านไม่มีความหมายอย่างนั้นท่านครูให้เราบอกให้เราสำนึกตัวอย่าเป็นผู้ละละของความไม่ตั้งใจ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 อแต่ไอหลวงตาจากไปแล้วออจําเป็นว่านะแสดงความคิดเห็นจําเป็นว่าลูกหลานเพราะว่าคนมันมามากเราควรจะสร้างศาลาหลังนั้นรองรับนะถ้ามาอย่างนั้นไม่ได้แลนะมันแน่นเกินไปแล้วนี่แหละแต่ถึงอย่างนั้นสมัยก่อนเราไม่กล้าคิดเลยเอเพราะอะไรเพราะหลวงตานเท่านมองเออย่าลืมตัวอการอ ย, อยู่อย่างพระ ขนาดพระที่อยู่ด้วยกันขนาดนั้นเนละหลวงตายังเห็นไหมตะคายบาทออกมาแต่เช้าเลยองค์เดียวเดินมาดุมดมดุ ม, ด ม, มาถ้าใครจะไปรับบาดช่วงนั้นก็รับไม่ได้นะ่อย่ามายุ่ง <c oughs> ใครใครจะไปยุ่งใช่ไหมละ่ะใครจะถอยกูดแล้วงั้นเลอพอท่านเสร็จวางแล้วก็ด้อมๆมองๆไปท่านจะว่าอ ย, ย่างไงีองอ้อีกไหมถ้าว่าท่านจะทำเองก็ไม่บารแต่รู้ว่าท่านไม่ทำหรอก พอมาวางเกล็เสร็จแล้วเราก็รอมๆน้องเข้าไปจับท่านไม่ว่าอะไรอะไรนี้คุยว่ามัดบาดมัดบาม ด, มดมัดบริขารแต่เหมือนตะก่อนเหมือนถ้าหากว่าท่านอยา ม, มายุ่งนี่นหยนึกว่าหัวหัวหดตดแตกเนาะงั้นอใครกลัวหมดลงตาใช่ตาตาของท่านเน่ยเขียวปัดทาท่าวางมัดโอ้ไม่ใช่ธรรมดาเลยไม่ให้ลูกศิษย์กลัวไม่ได้เนาะลงตานี่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 เราทำยังไงทำตามที่ท่านสั่งไหมถ้าทำตามที่ท่านสั่งทุกอย่างท่านก็เฉยจะได้พิมพ์เสร็จเรียบร้อยท่านก็มาอ่านตรวจดูปวดตัวเฮไปเก็บอพอเก็บเราเก็บยังไงเก็บอันหนึ่งสาเนาอันหนึ่งอันหนึ่งเก็บเพื่อจะส่งบีบใส่แป๊กหรือว่าแนวนีบหนีบให้ดีก่อนที่หนีบจะต้องอ่านอ่านดูก่อน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 นอนเมเปเหมือนกับนอนเมเปิ้เด็กเด็กที่นอ น, นเอาศอกไปดูที่ศอกของท่านเนี่ยดำมาทั้งสองข้างเพราะศอกเท้าเท้ากับพื้นเหมาก น, น, นกันแล้วก็เขียนเ อ, เ, อเอานอนเอาหมอนลูกหนึ่งหนูนอกซะนอนอกนั่งเขียนนี่แหละคือหลวงตาท่านาที่ท่านประวัติของหลวงปู่มั่นปฏิปทาพระตุรลงกรรมฐาน